พระธรรมเทศนาแผ่นที่54ลำดับที่20สโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่23มิถุนายน2555มีชื่อเรื่องว่าการประเชิญของพระ หลวงพ่อก็เช็คพลอยู่เรื่อยเหมือนกันนะแต่ละวันมีพระเข้าพระออกเหมือนกันบางทีหลวงพ่อก็ลืมต้องลยถามพระพระเวีนพระเวีนคือคือนายเวีน่ะสิบเวีนนายเวีนของหลวงพ่อก็คือเจ็ดวันจะอยู่ที่ศาลาองค์หนึ่งคอยดูแล พี่น้องประชาชนสัทธาญายาโยมเข้ามาเกี่ยวข้องใครไปใครมาถ้าไม่มีพระเวรไม่มีใครอยู่าลาจะเลยวัดใหญ่ขนาดนี้เวลาญาติโยมเข้ามาหาเละพระจากต่างถิ่นเข้ามาวัดก็มไม่รู้จะไปหาใครเงียบไม่รู้จะตามหาใครที่ไหนดัะนั้นวัดของเราก็เลยจาเป็นจะต้องมีพระเวรพระเวรองหนึ่งเฝ้าอยู่เจ็ดวัน ใครมาก็จะต้องมาผ่านพระเวรลวงพ่อจะถามก็ต้องถามพระเวรว่ามีพระเท่าไหร่มีญาติโยมใครมาติดต่อบ้างมีความจำเป็นอย่างไรของสิ่งไหนที่เขามามีอะไรบ้างพระเวรต้องรู้ต้องรายงานเราอยู่เป็นหมู่เป็นคณะเราอยู่หลายองค์ ต้องมีผู้รับผิดชอบพอพ้นหน้าที่เจ็ดวันไปแล้วก็เอาเข้าไปปฏิบัติเข้าไปอยู่ภาวนากุติของใครของเราอง์ที่มีหน้าที่เอามาทำงานทำหน้าที่แทนอันนี้ก็คือองค์หนึ่งแต่องค์ที่สองก็คือองค์สำหรับต้มน้ำน้ำอุน่นปาณนะถวายหมูพกเพื่อนอันนั้นก็เจ็ดวันอีกเหมือนกันเป็นผู้ดูแล มีน้ำโกโก้กาแฟน้ําอ้อยน้ําตาลมีอะไรก็จัดออกมาตอนบ่ายองคไหนต้องการมาฉันก็มาฉันเนี่ยแต่ไม่มาฉันก็แล้วไปอันนั้นองนั้นตอนบ่ายโมงเข้ามาประจําเวรเหมือนกันแล้วก็เก็บของให้เรียบร้อยทุกวันอันนั้นองค์นั้นก็อยู่เจวันเหมือนกันเป็นนั้นว่ามีเวรอยู่สองเวรเนี่เวรหนึ่งเวน โรงปาะนะเรนหนึ่งก็เวืนดูแลศาลาผู้ดูแลศาลานี่จะต้องกว้างขวางหน่อยเวลาแข่คนมาพบกับหลวงพ่อจะพบที่ไหนอย่างไรมีใครมีจุดประสงค์อะไรอย่างทั้งก็ท่าที่พักพาอาศัยถ้าพระสงฆ์มาก็ถามว่าจะพาพักไหมในเมื่อจะมาพักพระเวนศาลานั้นจะต้อง หาอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้มาอยู่เวนน์ก็จะช่วยกันจัดเสนาสะนะที่พักพาอาศัยให้แก่พระพระท่านจะพักหลังไหนอันนี้คืออาคันทุ ก, กะวัดย่อม ว, วัดเป็นวัดอันนกันนะเป็นกิจวัตรอันหนึ่งเหมือนกันนะในหลักพระวินัยของพระพุทธเจ้าอาคันทุกกะวัดวัดตอนรับภิกษุอาคันทุกกะที่มาสู่วัด หวนปฏิบัติอย่างไรหวนแนะนำอย่างไรกับสำหรับพระใหม่ผู้เข้ามาเจ้าของถิ่นต้องเป็นผู้แนะนาบินระ บ, บาตเวลาเท่าไหร่ชั้นที่ไหนทำอย่างไรพระเวทจะต้องอธิบายให้พนักวั ก, กที่เข้ามาให้เข้าใจกฎระเบียบของวัดอันนี้ก็คือพระเวทศาลามีหน้าที่กว้างขวางพอสมควรนะ รับผิดชอบพอสมควรแต่ก็อยู่เจ็ดวันก็ไม่หนักหนาแล้วก็ให้องค์อื่นมาแทนอีกหมุนเวียนกันบางทีก็มีท่าว่ามีพระมากแต่มีพระที่มีอายุพรรษาอายุพรรษาพอรู้เรื่องแล้วก็มันเป็นพระเวียนซาลาแต่พระน้อยที่เพิ่งเข้ามาบวชใหม่ปีสองสาปีเอาให้เป็นพระเวียนโรงน้ำร้อนก่อน องค์ที่ไม่ได้เข้าเวงก็เออเอาปัดกวาดทาความสะอาดทําหน้าที่เหลือมอกันนี่แหละการดูด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะก็ต้องมีกฎต้องมีระเบียบใครมีหน้าที่อะไรในวัดก็ต้องรับผิดชอบ ช, ช่วยกันบางองค์ก็เออจะต้องดูแลเสนาสะนะจัดกุฏิที่พักสร้างกุฏิที่พักเรียกว่าทา เสนาชนะตรงไหนที่มันจำรุดชุดโสมก็มีพระอีกกลุ่มหนึ่งดูพวกน้ำพวกไฟพวกน้ำมันไหลไปยังไงมันมีปัญหาอะไรอันนี้ก็ต้องมีอีกกลุ่มหนึ่งแต่กลุ่มนี้ก็นานๆจะมีจะช่วยกันดูแลครั้งหนึ่งถ้ามันจำรุดแล้วก็กลุ่มนี้จะต้องเข้าไปดูไปช่วยๆกันเนี่ยอันนี้ก็คือเพียงกลุ่มเดียวเท่านี้เนี่ยเพียงในวัดของเราเพียงแค่นี้ กับเรื่องย่งยงยุ่งเหยิงขนาดนี้ถ้าว่าเป็นหมู่บ้านล่ะเป็นหมู่บ้านเป็นตำบลเป็นอำเภอเป็นจังหวัดเป็นประเทศเป็นโลกความยุ่งเหยิงวุ่นวายกว้างขวางออกไปเรื่อยๆและเมื่อวานเป็นวันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2555เมื่อวานวันนี้เป็นวันที่23เออวันนี้เป็นวัน ครบรอบหลวงปู่เพีย น, น่ะวันมรณะภาพหลวงปู่เพียนวิริโยบัณฑ์นองกองแต่พระก็เพึ่งมาในมลหลวงพ่อเมื่อวานเนี่ยตอนเย็นหลวงพ่อกับพึ่งรับทราบหลวงพ่อมีธุระคงไปไม่ได้อ๋อนในมลครูบายจานันจัดจัดซะก็คงจะไม่มีอะไรมั่งครบรอบหลวงปู่ก็่มีแต่ญาติโยมจังหันแล้วก็ จ, จังหันแล้วก็คงจะจบมั่งเอาจัดการกันเถอะ หลวงพ่อก็เลยไม่ได้ไปวันนี้วันนี้เป็นวันครบรอบวันมรณะภาพหลวงปู่เพียรวิริโยวัดป่าหนองกองวันนี้ท่านก็เป็นพี่ชายพี่ชายใหญ่ของหลวงพ่อเหมือนกันนะลูกศิษย์หลวงตาหลวงตาหลวงกรุงเทพวันนี้หลวงปู่เพียรเป็นผู้ติดตามต่อมาก็หลวงปู่ลีเป็นผู้ติดตา ม, ต ม, าตตามแต่ท่านก็จะเอาหลวงปู่บุญมีนะ่ะติดตาม ท่านก็มาบอกว่าใหญ่ใหญ่หญท่านดวงตาเลียงหลวงปู่เป็นมีที่ว่าท่านใหญ่นะยหญ่ใหญ่เราจะลงกรุงเทพไปไงสะดวกไหมที่จะไปกับเราหลวงปู่เุ็มีท่านกลัวคนอยู่แล้วท่านก็ไม่ไม่รู้จะไปกรุงเทพไม่รู้จะทําไงท่านเป็นคนที่เขาว่าถ่อมตนอย่างมากนะหลวงปู่เป็นมีนะท่านก็กราบเรียนองค์หลวงตาว่าถ้ากับผม ไม่ได้ไปแต่สะดวกกว่ากระผมเพราะกระผมไม่สันทัดในการที่จะพูดกับคู่คนกระผมอทาไม่สะดวกก็ไม่ไปเอาทำรีแต่เอาทำรีไปหนะลวงปู่รนะีเนี่ยท่านเรียกทำรีนะแต่หลวงปูป่บนมีทนะ่านเรียกว่าท่านใหญ่ใหญ่อะไรคือเป็นผู้ใหญ่บ้านเหมือนกัน <laughs> เป็นผู้ใหญ่บ้านเวลาหลงตาไปก็เหมาะสมเลย เวลาลงตาไปที่ไหนๆหลวงปู่คุนมีก็อยู่วัดเฝ้าวัดเป็นผู้ดูแลวัดดูแลวัดเหมือนกับเป็นผู้ใหญ่บ้า น, นอยู่ในบ้านในเรือนดูแลน้องๆทางหลายหลวงปู่คุนมีเป็นผู้อดทนจริงๆนะหลวงปู่คุนมีแต่หลวงปู่เพียรเนี่ยแต่หลงพ่ออยู่ที่บ้านตาตั้งแต่สอง2้าสิบสองก็ไม่เคยเห็นท่านจำบรรษานะเพียงแต่เข้าๆออกๆ่านไม่ได้อยู่ที่บ้านตา แต่ต้องเป็นลูกศิษย์หลวงตารุ่นเก่าแต่ท่านมาดิจามันสาแต่หลวงตาเรียกท่านสมุนะเรียกลุงปู่เพียนเนี่ยเรียกสมุฮะลูกศิษย์หลวงตาเนี่ยเรียกแปลกๆเหมือนกันนะแต่เรียกสมุนะนนะ ส, มสมุกคือสมุบัญชีในะสมัยก่อนนะตั้งมาจากโน่นตั้งแต่บ้านห้วยทรายนะแต่หลวงปู่เพงท่าคงเพงเนะี่ยว่าประหลัดเพงฮนะแต่อาจารย์ผิวหลวงปู่ผิวเนาะวัาจจ า, านะหลวงตาเนี่ยเรียก ชื่อแปลกๆนะอแต่เรียกลุงปูรีเนี่ยเรียกทํารีแต่เรียกลงุกลกลงพอ่อเขาทาอินนะแต่เรียกว่าทําอินหลวงตาเรียกนะใน่วันนี้เป็นวันครบวันมรณภาพหลวงปู่เพียนคณะจิตญาณุสิทธิ์ของท่านกขาคงจะมาร่วมกันตักบาตร ท, ทาบุญละวั น, นี้แต่หลวงพ่อไม่ได้ไปร่วมนะแต่เมื่อวานหลวงพ่อไปงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขตที่20จังหวัดอุดรแต่หลวงพ่อก็ถามว่านักเรียนมีเท่าไหร่ทั้งหมดในเขตของเราเนี่ยเขตที่20เนี่ยเขาบอก3 8 0 0นะโอโ้โหไม่ใช่น้อยนักเรียนนะ3800คนแล้วครูกกล่ะครูใน 3,800 ประมาณยังไม่นับศึกษานิเทศยังไม่นับผ่านโรงอีกอันนี้เฉพาะครู 3,800 กว่า พ่อเขาไปเปิดสํานักงานเมื่อวานไปสวดมนต์ชันเช้าแล้วก็ไปเปิดเนตรพระปางลีลาคือปางเดินเขาทําให้เป็นพระประธานอยู่ที่สํานักงานทางเข้าเขาคนไปก็จะได้ยกมือไหว้ ย, ยืนพระยืนปางลีลาอยู่ทางประตูเข้าเขาก็ไดมนต์หลวงพ่อไปเปิดเนตรแต่เขาเอาคิดพึ่งปิดไว้แล้วลแต่หลวงพ่อทอํายังไงละ่ะแต่ตามที่จริงการเปิดเนตรพระนี่ย แต่หลวงปู่ล่าเนี่ยท่านท่านไม่ให้ทำน ะ, ะถ้าว่าไปเปิดเนตรปานโอ้อยจะไปไปหาปิดยังไงพระพุทธเจ้าท่านตัดสรู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณตั้งแต่2องพันห้ากว่าปีมาแล้วตั้งแต่วันเดือน6เพนนนั่นแหะท่านได้ตัดสรู้แล้วจะไปเปิดเนตรจะทำไมตัสรู้ก็คือท่านตัดสรู้พวกเรามีตะการไหวภาวา voke พระหลวงพวกเราเนี่เป็นสงสาวกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ได้ตัดสรู้ เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในเมื่อท่านตัดรู้แล้วท่านนําพระธรรมคําสอนของพระ อ, องค์มาประกาศเผยแพ่มาให้พวกเราได้ศึกษาในเมื่อพระสงฆ์ได้ศึกษาธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้ปฏิบัติตามธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลตามที่พระ อ, องค์ได้ผ่านไปแล้วรู้มาแล้วเห็นมาแล้วแนะนําพวกเราพวกเราก็เดินตามก็ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผล อก็จบเพียงแถวนั้นเราจะมาเปิดเนตรพระพุทธรูปเนะี่ยไม่ได้นะดูดูจะเป็นบาปนะหลวงปู่ลาว่านะตกรพระพุทธเจ้าเปิดเนตรพระสงฆ์เปิดดวงตาให้เห็นธรรมบาดที้พระสงฆ์จะกลับมาเปิดเนตรพระพุทธเจ้าอีกมันไม่ถูกนะหลวงปู่ลาวานะหลวงพ่อฟังล้หลวงพ่อก็เข้าทางหลวงปู่ลาเหมือนกันนะเออหลวงปู่ลานี่พูดถูกตรงไปตรงมาหลวงพ่อว่า พระ ส, สงฆ์ทำไมจะไปเปิดเนตพระพุทธรูปนี่แต่พระพุทธเจ้าเปิดเนตพระ ส, สงฆ์ชี้ให้ดวงตาเห็นธรรมแต่ที้พระ ส, สงฆ์กลับไปเปิดเนตพระพุทธรูปอีกเนะียมันดูดูมันยังไงมันขวางกันนาแต่ว่านะอย่าทํานะเป็นบาปนานนะทําไม่ถูกนานนะแต่หลวงพ่อไปเมื่อวานนี่ก็พราเขาปิดไว้แล้วเนี่ยหลวงพ่อก็ไปแกะออกทนะ่านแกะขี้พึ่งออกแลนะว่าเปิดเนตรนะแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้คิดว่าเปิดเนตหนะลวงพ่อแสดงความเคารพ ดยพุท ธ, ธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพอนุภาพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพของพระองค์พระธรรมพระไตรลักษณ์คุ้มครองอยู่เย็นเป็นจุกท่วนหน้าจากนั้นหลวงพ่อกเ็เดยขึ้นฉวดมนต์มีคณะครูบาอาจารย์เยอะน้ำวันเยอะมากทั้งโรงเรียนด้วยมามวันจากนั่นก่อน ขอถ่ายรูปหลวงพ่อเปิดโอกาสเนะมื่อวานนะตามปกติหลวงพ่อจะไม่ค่อยให้คนถ่ายรูปเท่าไหร่หลวงพ่อว่าถ้าถ่ายมากๆเดี๋ยวรูปหลวงพ่อไปอยู่ในถังขยะอ่ะเพราะนั้นไม่จําเป็นจริงไม่ให้ถ่ายแต่ที่ถ่ายกล้องนั่ก็ถ่ายวีดีโอไว้นะเออหลวงพ่อพูดอะไรแต่ละวันได้ยินเสียงหลวงพ่อด้วยได้ยินเสียงแล้วก็เห็นภาพด้วยเ อ, อันนี้ก็ไม่ว่ากันบันทึกภาพแต่ว่าจะไปถ่ายทั่วๆไปในหลวงพ่อ ไม่อยากจะให้ถ่ายนะนะแต่เมื่อวานเนี่ยเปิดโอกาสเห็นมาครูบาอาจารย์กลุ่มหนึ่งที่จะต้องเผยแผ่ธรรมะทาคําสอนในทางพระพุทธศาสนาจะสอนวิชาความรู้ให้แก่คนด้วยแต่เมื่อวานในหลวงพ่อเขาพูด2ประเด็นก่อนที่จะฉันจังหันอย่างเนี้ยพอเห็นครูบาอาจารย์ที่เขามาอยากจะมาประเค้นของพอมาแล้วไปจับถุยไปจับสไปว่างั้น ใครเข้าจับถูกับพื้นไปรับประเคนเราเ อ, าเอาต้องยกขึ้นครูบาอาจารย์ต้องยกขึ้นแล้วก็ยกขึ้นถวายจากนั้นหลวงพ่อก็เลยพูดนะฟังนะก่อนที่หลวงพ่อจะฉันอย่างนี้หลวงพอ่อประกาศคณะครูบาอาจารย์ทั้งหลายต่อไปจะได้สอนลูกศิษย์ลูกหาสอนเด็กนักเรียนประเคนคืออะไรทำยังไงคือประเคนเดี๋ยวหลวงพ่อจะเล่า เพื่อเป็นแนวทางจำได้ไง่ายๆหลวงพ่อจะสอนเปรียบเทียบกับอุปมาอุปไมยอนิทานถ้าเป็นสอนเป็นธรรมมากกเป็นนิทานชาดกไกลๆแต่นี่ถ้าสอนนี้นก็เป็นยกบุคคลขึ้นมาแต่บุคคลนั้นเป็นบุคคลจริงนะท่านคนนี้ท่านมาอธิบายให้คู่คนทั้งหลายฟังท่านเป็นผู้ว่านะ ผู้ว่าชื่อผู้ว่าดำรงนะสุดท้ายเขาท่านอยู่จังหวัดชลบุรี น, นะที่ท่านเกษียณนะท่านบอกสมัยเป็นเด็กท่านไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพพอไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพเด็กบ้านนอกเข้าไปกรุงเทพเลยพอไปถึงแล้ว ก, กำลังจะเป็นหนุ่มเลยม 5, ห้ามหกน่ยมีหมู่เพื่อนสามสี่คนก็ไปอยู่กับหลวงพี่หลวงอาเน่ยวะหลวงพี่หลวงนาหลวงอานะ่ย ที่ไปเรียนหนังสือกรุงเทพเขาไปอาศัยกุฏิท่านแล้วก็ไปเรียนหนังสือตัวเองก็ไปเรียนหนังสือทางมัธยมแล้วก็ไปพักกุฏิใต้ถุนของท่านแต่นี่มันมีฉายหนังกลางแปลนไงในสนามหน้าวัดแต่นี้เด็กก็ไปดูสิเด็กมันหนอกนะีพอไปดูเขาก็ฉายทั้งคืนในสมัยก่อนฉายทั้งคืนนะอนนนะพอฉายหนังเสร็จแล้วก็กลับมากระจวนสว่างนะพระท่านมหาเนีครับหลวงอาเนี่ยไปบินทบาท กับพวกพระเนนแล้วกับพระด้วยกันสามสี่องค์ไปบินณะบาดกลับมาแล้วก็มานั่งมาจัดอาหารมันก็ไม่เห็นเด็กนักเรียนเด็กไม่มาประเคนของเลยจ้ะเนี่ยเออเวลายงผู้หญิงเอาอาหารมาแล้ววางเป็นโต้ไว้แล้วก็เขาก็ไปไม่มีใครมาประเคนของเออท่านหลวงอ า, าเนี่ยก็บอกเอ้ยไปพระไปบอกเด็กมาประเคนของจ้าวามันไปดูหนังมาแล้วมันยังไงมันนอนไม่ตื่นเนี่ย มันพึ่งมานี่มั่งหนังก็เพึ่งเนยจบมือตอนใกล้สว่างนี่เองไปไปบอกมันมาพอไปบอกมาดึงไอ้ไหนสามสี่คนนะั้นมันก เ, เด็กพึ่งนอนใหม่ใจมันมันก็งวงเ ย, ย่เนี่ยกันนี่ไอ้ดำลงเนะ่ะดึงลักขึ้นมาไปให้ล้องประเคนอาหารนะพระแล้วพอมาถึงแล้วก็งวงเ ย, ย่ขึ้นมากะตะหวายอาหารไอ้หลวงอาเลยก็บอกว่าเอยมากใกล้ๆยับมาใกล้ๆเอ่ขยับมาก่ยังเอามากใกล้ๆกว่านั้นเอง เออใครชาวเด็กมันกันขี้หูวขี้ตายมันกําลังนั้นถูกจักหลับด้วยทําไมกินยากกินเย็นนักเพราะว่าท่านได้กษัตร์ไม่ประเคียงของในลุกหนีเลยเอยกลับไปหานอนเหมือนกันหลวงอาเนี่ยวกันหลายเรื่องจริงๆเลยแต่ท่านก็บรรลุเพราะท่านเห็นมันเด็กเด็กมันกําลังใช้อารมณ์นะมาไปเอาเอก เ, เรียกอันนั้นมาเรีย ก, กหมู่พวกเพื่อนมันมาอีก มาประเคนของอันนี้มันกบมาบประเคนให้พอประเคนของเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พระท่านก็ชันแล้วบนะัดนี้ฉันกันเมื่อท่านก็แบ่งให้เด็กอย่างเก่าแล้วนะ่ะแบ่งอาหารให้ท่านนี้พอต่อมาเอะดำลงในมันก็ใจดีขึ้นมานะเอเราทำผิดแล้ววันนะี้เราน่าจะถามว่าประเคนของนี่อยู่ห่างขนาดไหนทำไมหลวงอาหลวงนานบอกว่าเข้ามาใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆมันใกล้ขนาดไหนวะไอ้ที่ประเคนของเนี่ยมา ก็เลยวันหนึ่งใจดีก็เลยเข้ามาหลวงอาครับตรวงนาครับไอ้ที่ว่าประเคนของในว่าหัตถบาตรมันห่างไกลขนาดไหนครับหลวงอา เ, เออนี่ยแหละเข้ามาเราจะบอกเนียขยับเข้ามาในขยับเออขยับมาใกล้ๆเนี่ยพอขยับมาใกล้ๆก้หมหัวลงนะมักกอกใส่หัวโพวกเลยว่างันแต่ใสอย่างแรงด้วยนะเออมักกอกเ ข, อขอเเือหัวแล้วนั้นนี่แหละให้จําเอาไว้เออเขาว่าหัตถบาตหัตถบาตร บ่วงแหงมือหัททปาสั่งภาษาบาลีว่าหัตถปาสั่งบ่วงแห่งมือนี่พอมากอกสับหัวถึงนี่แลหละจำไว้นะบัดเนี่ยผมก็เลยจำมาจะพูดนะลูกหลานเนี่ยศรัทธาญาติโยมลูกหลานเนียคำว่าไปเคีนประเคียนให้ให่หางพอมากอกสับหัวถึงเด้อ <c oughs> พอมาเคิกสับหัวถึงหน่อยทีนี้ถามว่ายกสูงขนาดไหนครับลงอาย ประเคนของจึงจะถูกต้องนะฮะให้แมวรอดได้ไม่ใช่ว่าจะยกจุงสูงอย่างนั้นก็ไม่ได้นะจะยกต่ําถุยไปกับพื้นมันก็ไม่ได้เวลาประเคีนของต้องให้ยกให้แมวรอดได้นี่แหละคือประเคีนของจำเอาไว้ยกสูงขนาดไหนพอแมวรอดได้เข้าไปใกล้ขนาดไหนพอมกอกสับหัวถึงนี่แหละบ่วงแฮงเมืองนี่แหละหลวงพ่อพูด บอกให้ครูบาอาจารย์เมื่อวานเพราะครูบาอาจารย์ไม่เคยบวชใช่ไหมบางทีก็อยากจะมาประเค้นของจะจับถูจับไถเข้ามาบอกแล้วบอกอีกบางทีประเคฑนแล้วก็ยังมาแย่งจับมาอีกอยู่เพราะอะไรเพราะไม่เคยบวชนะไม่รู้จักวินยัยตาม่จริงประเคฑนของแล้วก็ต้องวางเป็นหน้าที่ของท่านนะ่ะท่านจะต้องจับจะไปจับอีกไม่ได้จับอีกต้องประเคฑนอีกนี่แหละคือองค์ประเคน้นแต่เมื่อหลวงพ่อเขามาพูดเรื่องอาหารบัตร เอ้ครูบาอาจารย์ทําไมอาหารที่ใส่บาตรเนี่ยไม่เห็นเลยมีแต่อาหารถาดอาหารหม้อเนี่ยมาผ่านไปเนี่ยอาหารที่ใส่บาตรพวกขนมนมเนยทําไมไม่เห็นวะเอาเลือกมาที่เลือกมาถวายครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ ท, าารทั้งเก้าองค์เนี่ยแล้วจะไปใส่รถของท่านไปวัดท่านจะไปฉันได้ยังไงท่านฉันเือเดียวฉันแต่เช้าแล้วจะจบพวกเราต้องรู้จักกาละเทสานะ เพระนั้นให้ใส่เลือกกรามังเข้ามาเข้าใจไม่เลือกนะกูบายการเข้าใจไม่เลือกไม่ใช่จะเทหมดทั้งกระมังไม่ได้นะเลือกอันไหนควรจะถวายพระให้เลือกใส่กละมังมาสักสองสามกระมังก็พอมาถวายถัะพระเพระรับเสร็จเรียบร้อยแล้วจํานวนที่เหลือเอออพวกเราจะเลี้ยงกันก็เลี้ยงกันไม่ว่านะเพราะอาหารมันเยอะ mm. เลี้ยงกันซะแบ่งให้ทั่วถึงกันแต่ถึงยังไงต้องเอามาถวายพระก่อน พวกเราท่านทาั้งหลายหลวงพ่อเคยไปนักสถานที่ต่างๆบางทีหลวงพ่อไปนั่งหัวหน้าบางทีอาหารมาพออาหารมากๆไอ้ท้ายยกที่อยู่ทางหน้าแถวหน้าหลวงพ่อไปไปไปไปไปมันพอแล้วเยอะเยอะเหลวงพ่อเอามาแต่ไม่ใช่หลวงพ่อโลภนะหลวงพ่อเอามาหลวงพ่อเห็นน้ําใจของเขาพวกเราฟังนะั้นจะเหตุผลของหลวงพ่อนะก่อนที่จะมาทํำผลอย่างวันเสาร์วันเนี้ย มาทำบุญเปิดสำนักงานอย่างนี้พอได้ยินเนี่ยทั้งครอบทั้งครัวพ่อแม่จงไปจ่ายตลาดไปซื้อผักซื้ อ, อยาอะไรก็ไม่รู้แหะเอามาแล้วก็ผ ล, ลไม้ทั้งแม่บ้านเพ่อมาประดิษฐ์ประดอยมาปอกเปลือกเสร็จแล้วก็ยังมาทําลวดลายอีกต่างหากเพื่อจะถวายครูบาอาจารย์โชว์ฝีมือของแม่บ้านของลูกเพื่อจะฝึกหัดลูกอีกต่างหากตอนเช้ามาก็เอามาถวายครูบาอาจารย์เป็นว่าอาหารที่ดีที่สุด ในครอบครัวของเข า, าเขาเตรียมไว้อาหารดีที่สุดในครอบครัวของเขาที่มาถวายครูบาจารย์พอเอามาถึงแล้วเนะ่ยนายกที่อยู่ทางหน้าเนี่ยโยมที่อยู่ทางหน้าเนี่ยเอาไปไปไ ป, ไ ป, ไปดูสิเขาที่เป็นเจ้าของอาหารน่ะเขามองตาแป๋วอยู่อาหารจะเข้าไปถึงครูบาจารย์ไหมไปถึงพระสงฆ์ไหมครูบาจารย์ท่านจะหยิบอาหารของเราไหมท่านจะเอาอาหารให้เราไหมอาหารของเราที่ ทำไปเข้าไปถวายเนี่ยเขามองอยู่แต่ที่เร า, เอาออกไปเนี่ยเขาเสียความรู้สึกนะถ้าเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อเขเสียความรู้สึกเพราะทำอาหารทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนแล้วเอามาไม่ถึงพระทายยกที่มานั่งอยู่ต่อหน้าเนี่ยเอาอาหารไปทางอื่นโดยที่ไม่ได้เอาผ่านครูบาอาจารย์ไม่ได้ผ่านพระสงฆ์นี่เรามีอภิสิทธิ์อะไรที่จะบอกให้อาหารออกไปอย่างนั้นอย่างน้อยต้องผ่านซะก่อน ถึงยังไงเอาผ่านไปผ่านไปถ้าจิตยิบดืวยท่านอะไรก็สุดแท้แต่อันนั้นคือความถูกต้องตามใจเขาใจเราถ้าเป็นของเราล่ะถ้าเป็นของเราเนี่มีอะไรไปจับยัดให้จะให้ครูบาอาจารย์ได้ฉันแต่ของเป็นของคนอื่นนะให้เอาออกไปมันเป็นธรรมมันถูกต้องมาคิดดูให้ดีนะอันนี้หลวงพ่อบอกให้คนคิดนะสอนให้คนคิดนะไม่ได้ขี้โลภนะหลวงพ่อก็มีท้องเดียวเท่านั้นแหละ กินเพียงนิดหน่อยเดียวก็เอิ๊มเนีไม่ใช่ชั้นหลงชั้นหลายอะไรหรอกชัด น, น้อยเดียวแต่ทําไมอาหารมาเรินเทินเถิแต่ว่าน้ําใจของเขาที่เขามาทําบุญอย่างน้อยก็ต้องผ่านครูบาอาจารย์ซะก่อนและจากนั้นพวกเราจึงค่อยเอาไปทานถ้าไม่ได้ผ่านครูบาอาจารย์ซะก่อนพวกเราเอาออกไปเลยเนี่ยผู้ที่เขาทําบุญตั้งอกตั้งใจทั้งคืนเนี่ยที่ทำอาหารทั้งครอบทั้งครวนเขาเสียความรู้สึกนะ สิ่งเหล่านี้พวกเรานะเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันและต้องคิดนะอันนี้สอนให้คิดนะบอกให้คิดนะเนี่ยหลวงพ่อบอกเมื่อวานเนะี่ยกลองที่ใส่บาทก็เหมือนกันเออไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าไปใส่บาทให้พวก ก, กะวละเลกกะกัลราฒชาวบ้านกินเขาคิดอย่างนั้นไหมเราคิดอย่างนั้นไหมเมื่อเราใส่บาทเราไม่ได้คิดอย่างนั้น เราคิดว่าเออใส่บาตครูบาอาจารย์อย่างน้อยท่านได้ฉันหรือไม่ได้ฉันก็ให้ได้ผ่านใส่บาตของท่านซะก่อนในเมื่อใส่บาตรของท่านพระสงฆ์ท่านก็รับละเออรับละก็ต้องเอามาถวายพระสงฆ์ส่วนหนึ่งซะก่อนเมื่อพระสงฆ์ได้ส่วนหนึ่งไปแล้วท่านเออเ อ, อ, อาหารจํานวนที่เหลือนะก็มันเหมือนเหมือนกันเน่ยเอาขนาดนี้ก็พอละพระสงฆ์เนี่ยเก้าองค์เนะี่ยขนาดที่พอละจำนวนที่เหลือก็แบ่ ง, แ บ, งแบ่งกันเฉลีย่ยเฉลี่ยกันกินเนาะ ให้โทษถึงกันเนอะอย่าไปแย่งกันเนอร์อันนี้คืออาหารพระ ส, สงฆ์อาหารกลางเป็นข้าวกลนบาด ท, ที่ใส่บาดพระ ส, สงฆ์ไปแล้วอันนั้นคือความถูกต้องอันนั้นคือความเป็นธรรมแต่ในหลักของพระพุทธศาสนาเป็ดจำนวนหนึ่งขนาดทายกเขาจะเอาอาหารไปถวายพระพุทธเจ้ากาบินมาจากข้างบนโฉบลงไป ไปเอาอาหารกินอาหารของทายกของโยมที่จะถวายพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ตายจากนั้นแต่ยังตกนรกตกนรกแล้วมยังมาเป็นเปตเปตกาอีกจะเป็นเปรตอีกใช้กรรมใช้เวรอีกต่างหากอันนั้นคือเขาจะถวายพระสงฆ์แล้วตัวเองไปกินก่อนขนาดเป็นกาก็ยังเป็นบาปนะเพราะนั้นเราเป็นมนุษย์แท้ๆนะต้องระวังนะเรื่องของเรานี่มันต้องได้คิดทั้งหมดนะอย่าไปเห็นแก่กินอย่าไปเห็นแก่ อยากแก่ได้เพราะพุทธเจ้าท่านบอกว่านาเหตูปิกเระยะปาปังนาเหตูปิกเระยะปาปังไม่ควรทําบาปเพราะเห็นแก่กินเนี่ยมีพระบาลีออกมาไม่ควรทําบาปเพราะเห็นแก่กินอาหารสัพเพสตาสัพเพสัตตาอาหารลิติกาสัตว์ทั้งหลายเป็นอยู่ด้วยอาหารคนทั้งหลายทุก ข่ทุกคนต้องเป็นอยู่ด้วย อ, าาอ่านเพราะนั้นเรื่องอาหารเป็นเรื่องที่จําเป็นสําคัญต้องเฉลือเผือแผ่ให้ทั่วถึงตรงไหนที่มันไม่ทั่วถึงเอาให้ทั่วถึงนี่แหละอันนี้คือหลักธรรมคาสอนที่พระพุทธเจ้าท่านวางไว้สําหรับพระสงฆ์สําหรับบาสุบาสิกาสาหรับชุมชนถ้าหลวงพ่อไม่พูดก็ไม่มีใครจะพูดนะต่อไปจะรวยรวยแหลมไปเลยเถยดพระยิ่งไม่พูดญาติโยมยิ่งเป็น เจ้ากี่เจ้าการเพอเพอจะเก่งกว่าพระอีกต่างหากจัดการให้พระทั้งหมดเลยพระก็ยิ่งไม่พูดเหมือนกับพระประธานเอมายังพันเตงนองเิตูปีถวายพระพุทธรูปเสร็จแล้วก็เอาตัวเองออกมากินพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปเฉยเออันนี้ต่อไปพระสงฆ์มันจะเป็นพระพุทธรูปเองนะ่หลวงพ่อว่านะอันนี้ือเป็นแนวความคิดให้พวกเรานะะพวกเราได้ฟังได้ศึกษา ถ้าว่าหลวงพ่อพูดวิดเอยหลวงพ่อพูดนี่เห็นแก่ตัวเกินไปมาถกกันอีกก็ได้นะหลวงพ่อยินดีที่จะให้มาถกมาถามอีกก็ได้เอารับพรในอนุโมทนาให้พร